u d d h a m m r a g a c c h u d d h a m r a m a g a c c h a d d h a m m a g a a m a m m g a c c h a m a m g a c c h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 อนุบาลแค่นั้นเองอนุปาละมีอำนาจในขาที่ดูแลรักษารักษาจากขายาตนาโสตญยตนาคานาชิวหากายายนะชีวิตตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวบำรุงรักษาแต่ไม่ใช่ตัวทำให้เกิดขึ้นนี่เข้าใจางี้แล้วก็ไม่ได้ไปที่อาศัยออะต่อไปรูปคือกัมมัชาโอชา กรร ม, มชาโอชาอยู่ตรงไหนกรร ม, มชาโอชาคือโอชาที่อยู่ในกรร ม, มชากราบเนี่ยนะที่อยู่ในกรรมชกราบเนี่ยกระาบที่เกิดจากกรรมเนี่ยโอชาในที่นี้คืออาหารอาหารชัลูปเออให้สังเกตเนี่ยเอาไงมีโอชาไหมเนี่ยในดินสอได้ประกาศมชา่าพูดเรื่องละครั้งใช่หัหยพูดอย่างไม้ตีละครั้ง่ ในไม้ตีละครังที่เราเรียกว่าไม้ตีละครังเนี่ยเป็นการกระทบกันระหว่างอาวิภิภพกรูปกับอวิภภพกรูปดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุโอชาเมียไอดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุกับดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุกระทบกันใชกระทบกันแล้วทาให้กระแสเสียงดังกังวานไปได้นานใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามาดูว่ากรรมชาโอชาเนี่ย กรรมชาโอชาเป็นปัจจัยแก่อะไรแก่ปัญจายาตนะที่ตั้งอยู่ในกระาบเดียวกันกับตนดูดูตัวอย่างดูตัวอย่างอะไรเป็นปัจจัยแก่อะไรกรรมชาโอชาเป็นปัจจัยแก่ปัญจายาตแก่จักขายาตนะตั้งอยู่ในกรลาบเดียวกันกับตนสโสตายาตนาะคานายาตนาะชิวหนะายาตนากายายาตนะที่ตั้งอยู่ในกรลาบอื่นๆในประวัติการ แห่งกามภูมิสิบเว้นนรกเนด้านหน้าปัจจัยสามอันนี้รูปอาหาราชาติโอ้โหตรงนี้ดูไงถูกไหมที่ตั้งอยู่ในกระลาบเดียวกันกับตนและในกระลาบอื่นๆ น, นะในกระลาบอื่นๆในประวัติการแห่งกามภูมิด้านหน้าปัจจัยสาม ร, รูปอาหารรับปัจจัยรูปอาหารรัตถิรูปอาหาราวิคตะปัจจัยอันนี้ เอาชาติไหนมาตอบอีกเอาชาติไหนมาตอบเอาอาหารรชาติรูปอาหารชาติมาตอบมันมีสี่มันมีสามปัจจัยแค่เนี้ยอันนี้พูดถึงกลุ่มอาหารใช่ไหมพูดถึงกลุ่มอาหารเออเราก็ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมว่าจริงๆเนี่ยว่าในจักขาญตนะเป็นต้นเนี่ยโสตาญตนะคานาชิวหากายญตยนะเนี่ยเขาต้องมีอาหาร เป็นตัวหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีกรรมชะโอชาเนี่ยนะเป็นอาหารคอยหล่อเลี้ยงเสียหายเลยเนี่ยเนเสียหายเลยงั้นกราบอื่นๆมีโสตายาตนาเป็นต้นก็จะต้องมีกรรมชะโอชานีแลนะ้เป็นตัวหล่อเลี้ยงถามว่าทำไมถึงบอกว่าในประวัติการน่ทำไมถึงบอกในประวัติการททำไมไม่บอกว่าในปฏิสนธิการเพราะอะไร มียังปฏิสนธิการและโอชาเกิดหรือยังยังไม่เกิดนะกรรมชาโอชายังไม่เกิดนะกรรมชาโอชามียังอาหารและชาโอชามียังที่จริงถามว่าในขณะในปฏิสนธิการมีรูปอะไรเกิดบ้างกายะภาวะวัตถุกายะทะศัศนกระพาจริงๆมันมีแล้วนะวเป็นกรรมชาโอชาได้ไหมล่ะ แต่ตรงนี้เอาอย่างนี้นะแท้ที่ในหลักตรงนี้ถ้าในบางแห่งบางที่รูปคือกรรมชาโอชาเนี่ยเป็นปัจจัยช่วยประการะแก่ปัญจายยตนาที่ตั้งในกระดาเดียวกันกับตนและกระดาอื่ น, นจริงๆแล้วได้ทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการในปฏิสนธิการนก็มีไม่ใช่ไม่มีหรอกหมายถึงในกามาพบนะ ในการมาพบใช่ไหมในจปัญรยุวกรภูมเนี่ยอาได้ทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการคืออย่างนี้ในข้อที่สิบห้าเนี่ยเนี่ยสิบห้าหรืออะไรสิบหกเนี่ยเนี่ยสิบหกเนี่ยนยถามว่าถ้าหากเอาแค่เอาแค่ในประวัติการอย่างเดียวประวัติการก็ได้ใช่ไหมเพราะเขาก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะทีนี้มันมี จัดบางจําพวกไงยมเทลิที่จักขายตนาโสตายตนาคานาชิวหากายายานาใช่ไหมที่ครบอะที่ครบอะโอปปาติกาไงถ้ากลุ่มเหล่านี้นะเนี่ยถ้ากลุ่มนั้นในตําราบางเล่มบางแห่งอาจารย์งบอกว่าแต่ในที่นี้ท่านเน้นประวัติการนะท่านเน้นประวัติการอันนี้ก็ได้รูปอาารรับปัจจัย เขาก็ให้เป็นรูปมหาราปัจัยนะในปฏิสนธิการเขาให้แล้วก็ได้รูปมหารัฐีรูปมหาราวิคตะเพราะเป็นปัจจัยในกระลาบเดียวกันกับตนนะในกระลาบเดียวกันกับตนนะและในกระลาบอื่ น, นเขาสามารถเป็นปัจจัยแก่กระลาบอื่นๆได้ด้วยไอตรงนี้ถ้าหากว่าไปเชื่อมบางแห่งบางที่นะถ้าเขียนออกมาเนี่ยเอิ้มมีตะเลิดออกไปในปัจจัยอื่นด้วยนะไอตรงเนี้ย เพื่อนนึกนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตอนสมัยเรียนก็ถามตรงนี้พาถามตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเชื่อมเยองอยู่รู้มว่าดินน้ำไฟลมมันไปเชื่อมกันคล้ายกันแต่ในนี้มันเกี่ยวกันในเรื่องของอะไรรูปคือกรรมชาโอชาโอชาที่ที่ที่เกิดจากที่เกิดจ ก, กรรมนเนี่ยกรรมชาโอชาเนี่ยในกรรมชาโอชาเนี่ย ตรงนี้ต้องไปดูในปัจจัยนะดูรูปอาหารรับปัจจัยในรูปอาหารรับปัจจัยเนี่ยถ้าถามบอกว่าในอาหารชรูปในกลุ่มของอาหารเนี่ยนะเป็นนามอาหารส่วนหนึ่งใช่แต่ในที่นี้เราเรียนรูปอาหารถามบอกว่ารูปอาหารเนี่ยเขาเรียกอาหารสมูทานีกระูปเนี่ยนะถามบอกว่าไอตัวรูปเนี่ย ไอตัวโอชาที่อยู่ในกระลาบต่างๆเนี่ยที่โอชาเนี่ยเกิดจากสมุทฐานทั้งสี่เปล่าเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดอาหารทีนี้ถ้าถามบอกว่าเขาเป็นปัจจัยแก่รูปที่เหลือในกรลาบเดียวกันกับตนในกระลาบเดียวกันกับตนเนี่ยเขอยู่ในฐานะเป็นชน ก, กัสสติ <c oughs> และกรรมมชกรลาบที่เหลือด้วยอํานาจของอุปธรรมแล้วก็อนุ ป, ปาละกัสติได้ด้วย เออเป็นอย่างนี้ถ้าบอกว่ามันมีพระหิทธาโอชาโอชาภายนอกกับกรรมชะโอชาอันนี้เป็นเป็นอัชตะโอชาคือโอชาภายในกรรมชะรูปนี่เป็นโอชาอาหารชะรูปนี่เป็นโอชาภายในนืที่เกิดจากกรรมเนืเป็นโอชาภายในและจิตชะโอชาอาหารชะโอชาโอตูชาโอชาที่ในกระลาบทั้งสทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่บอกว่า กรรมมชกะาบตลาบที่เกิดจากกรรมนี่นะถ้าเว้นตัวโอชาขณะเป็นปัจจัยเสียเขาเป็นชนกัสติเว้นเขาก่อนนะส่วนกรรมมชโอชาเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยในฐานะอุปถัมภคแก่จิตตชาโอชาอุตูชะโอชาอาหารชะโอชาโดยอุปถัมภ์ด้วยด้วยมองเห็นอย่างตัวเนี้ย ทีนี้ถ้าดูอย่างนี้ถ้าดูการเป็นปัจจัยของเขาเนี่ยกรรมมเช่าโช า, โชามีทั้งหมดเท่าไหร่มีเก้าใช่ไหมมี 9, เก้าว่ะไอ้นับไงเป็นเก้ากรรมมเช่าโชาเนี่ยกรรมมชโรูมีเก้าเปล่าโดยตรงอ่ะมีเก้าใช่ไหมฉะนั้นกรรมมช่าโอช า, ม, ม, ช า, อชามีเท่าไหร่มีเก้าทีนี้ตัวโอชาที่เกิดจากกรรมเนี่ยถามว่าเขาเป็นปัจจัยแก่อะไร เขาเป็นปัจจัยแก่อะไรมาตั้งเขาอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยแก่อะไรในที่นี้แกอายตนะถามว่าเมื่อเขาเป็นปัจจัยแกอายตนะนี่เขาเป็นปัจจัยในฐานะไหนในฐานะไหนในฐานะเป็นอาหารใช่ไหเขาอยู่ในฐานะเป็นเาคือเป็นโอชานั่นแหละตัวเน้นตัวโอชาเนั่ยแะแต่เป็นโอชาที่เกิดจากกรรม เขาได้รูปอาหารระปัจจัยได้รูปอาหารลัทธิแล้วก็รูปอาหารราวิคตัดสภาพที่นำมาคือสภาพที่ประมวลมาซึ่งผลของตนเนี่ชื่อว่าอาหารถ้ารูปละ่ะถ้ารูปก็คือเป็นผู้อุปการะโดยความเป็นสิ่งที่อุปถัมภ์แก่รูปประธรรมและอุปถัมภ์นามธรรมทั้งหลายเขาอยู่ในฐานะอุปถัมภ์ไหมอุปถัมภ์รูปธรรมและอุปถรรมัมภ์ นามมาทมทั้งหลายชื่อว่าอาหาระปัจจัยมองเห็นใช่ไหมจะเป็นตัวนี้เขาอุปถมัมรูปอาหาระปัจจัยเนี่ยนะนับโดยตรงปัจจัยได้แก่กับพลิงกราอาหารหรือพระหิทธาโอชาคือโอชาที่อยู่ในอาหารต่างๆที่กลืนเข้าไปใช่มเราฉนั้นโดยตรงอ น, นั้นเป็นปัจจัยแก่อาหารชรูปสิบสอง แล้วก็อาหารชักระาบสอนส่วนในที่เป็นไปได้นั้นแสดงรูปอาหารคือโอชาที่อยู่ในรูปกระลาบต่างๆที่เกิดจากสมุทฐานทั้งสเข้าใจตรงนี้ยังเป็นปัจจัยแก่รูปที่เหลือในกระลาบเดียวกันกับตนโดยชนกกสติถ้าในกราบเดียวกันกับตนเนอและแก่รูปกระาบที่เหลือในแก่รูปกระาบที่เหลือโดยอุปธรรมพวกกสติหรือด้วยอนุ ป, ปาลากสติ ตามตามสมควรฉะนั้นคำว่าพระหิทธาโอชาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมโอชาภายนอกกับอัจชรตะโอชาก็อย่างหนึ่งนี่ตอนนี้เราดูอะไรอัจ ช, ชัตะโอชาคือโอชาที่เกิดจากกรรมแต่ไม่ใช่ดูส่วนจิตแต่ชาโอชาหรืออุตูชาโอชาและหาเละชาโอชานี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าถามบอกว่าโอชาที่อยู่ในกรลาบเดียวกันกับตนนั้นเป็นปัจจัย เป็นปัจจัยแก่สมุทฐานนี่กรูปใช่ไม้มแก่รูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานแก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานตัวแต่ในที่นี่เรียนอะไรกรรมใช่ั้ยรูปที่มีกรรมเป็นสมุทฐานพอพออย่างนี้ทีนี้พอดูบอกว่ากรรมมช้าโอชาถามว่ากรรมมช้าโชาเนี่ยกรรมมาชักราบก้าเนี่ย จักขูท่าศกกราบโสตาท่าศกกราบขานท่าศกกราบชิวหาท่าศักกราบกายยาท่าศกกราบแล้วก็วัตถุท่าศกกราบแล้วก็ภาวะท่าศกกราบชีวิตท่าศกกราบใช่ไหมไม่ใช่ได้9เออชีวิตนักการาบเนรวมเป็น9้ากราบเนี่ยกรรมชการาเก้ากราบนี่เราเรียนทั้งหมดเลยนะเราจะมาดูตัวนี้เห็น พอก้ากระลาบเนี้ยเว้นโอชาขณะเป็นปัจจัยในเป็นชนกสติต้องเว้นออกไปขณะเขาเป็นปัจจัยใช่ไหมเขาเขาเออเขาจะไปอุปถัมตัวเองได้ไหมดึงเข้ามาเป็นปัจจัยตัวโอชาเนี่ยทีนี้ที่เหลือก็อยู่ในฐานะเป็นปัจจัยบนันไปในกะลาบเดียวกันกับตนด้วยอำนาจของชนกสติทีนี้เขายังแผ่ไปในกะลาบอื่นเป็นปัจจัยแก่จิตแต่ชะกะลาบไหมเป็น เป็นปัจจัยแก่อุตุชักกราบไหมเป็นเป็นปัจจัยแกอาหารชักกราบไหมแต่เป็นอยู่ในฐานะอุปถัมภ์ไม่ใช่ทําให้ก <c oughs> ถ้ามันอย่างนี้ถ้ามีจักขครมีจักขายาตนะที่มีโอชาหล่อเลี้ยงเป็นชนกเลยนะได้ปัจจัยแล้วนะถามบอกว่าเมื่อมีตัวโอชาหล่อเลี้ยงจักรครูปราศาแล้วเนี่ยเมื่อมีจักขครูถาสักกราบแล้วเนี่ยถามแล้วจะทําให้จิตแต่ชัลูกเป็นไปไหมกับท่านผู้นั้น มีจิตแต่ชื้อโรคที่สัตว์ที่มีจักขคูประสาทมีจิตแต่ชนะืรคเนือรูปที่เกิดจากจิตสัตว์ที่เกิดจิตจากเนี่ยก็มีอุตุชื้อโรคมีอาหารชารื้อโรตามสมควรแก่สัตว์นั้นนะในการมาภูมิมีไหมมีไม่มีนั่นแหละพราะมีโอชาที่เกิดจากกรรมนั่นแหละช่วยอุปถรรัมโดยฐานะเป็นปัจจัยอุปถัมไม่ใช่อุปทานฐาอุปถัมแต่งามองเห็น ไ, ไหม โดยประถมพกปสติทีนี้ในในในยะเดียวกันถ้าดูกรรมชาโอชาแล้วไปดูจิตตาชาโอชาเข้าสองระคนอีกนิดนึ่งถ้าจิตตาชาโอชาไอาจิตตาชักราบมีเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยเอาเท่าไหร่ดีหหรือแปดเนี่ยนะนับไงดีจิตตาชักระาบหหรือแปดเนี่ยนับไงฮะที่เป็นกรลาบอ่ะเยมซรีนับหน่อยทีฮะ ในรูปใช่ไหมจำไม่ได้แล้วงจําจำไม่ได้กันซะแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยจิตจะชรูปอะ่ะท mm ี hmm. ่ถามอาจารย์จุรตรีเขา mm hmm. อ๋อแต่ไม่ได้สอนรูปนี่มันมีว่า mm hmm. เล่บางทีอ่ะบอกว่า mm hmm. กายวิญยัตและหูตาที่เอกาทาสักกราบ <c oughs> ตัวนี้รึเปล่า mm hmm. จริงๆริกายวินญยัตวจีวินยัตเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมี กายกัมมัญญตาใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยนะมีมีกามมีการุมีมุทุตากัมมัญญตาแล้วก็เกี่ยวกับต่างๆเราเนี่ยนะบอกว่ากายวิญญาตวจีละหูตามุทุตากรรมัญญตาอุปัจจะสัน ต, ติชลตาเหล่านี้เกิดด้วยนะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการาบแบบนี้เวลาเกิดขึ้นมานั่นเครียกเป็นจิตแต่ชักกราบ เว้นโอชาที่เป็นขณะนี้อยู่ในฐานะเป็นชนกัสสติที่กขเป็นปัจจัยแก่การนี่นะโอชาของจิตเชักระาบเขาก็เป็นปัจจัยแก่รูปของเขาที่อยู่ในกราบเดียวกันกับตนแล้วเขายังไปอุปถัมภ์กรรมเช็กระาบอุตุเช็กระาบและอาหารเช็กระาบด้วยโอตุช็โอชาเนี่ยโอตุสีก็เป็นโอชาแก่ก็เว้นโอชาในขณะเป็นปัจจัยก็เป็นชนกัสสติด้วยนะของเขาเองและในกราบอื่นๆก็อุปถัมภ์กรรมเช็กระาบ จิตตะชกระาบและอาหารชกระาบสองส่วนอาหารและอาหารชกระาบนี่นะ2ก็เว้นโอชาในขณะเป็นปัจจัยก็เป็นชนกับสติเหมือนกันเป็นปัจจัยชุดทําให้เกิดและยังไปอุปถัมภ์กรรมไักระาบจิตตะชกระาบอุตูชกระาบโดยอุปถัมบด้วยถ้าพัหิตถ้าโอชาโอชาภายนอกเขาจะอุปถัมภ์อัจฉริยะโอชาคือโอชาภายในหมายว่าโอชาภายนอกในอุปถัม รูปที่เกิดจากกรรมไหมอุปธรรมรูปที่เกิดจากจิตไหมอุปธรรมรูปที่เกิดจากอุตุและอุปธรรมรูปที่เกิดจากอาหารนี่เป็นอย่างนี้หมดเวลาพอดีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขึ้นต่อจากเ อ, อายาตะเอานามรูปในทางด้านของนามเนี่ยนียความเข้าใจว่านามรูปที่เป็นปัจจัยแก่อายตนะใช่ไหมนามรูปปัจจยาทรายตนงเนี่ย นามรูปที่เป็นปัจจัยแก่อายตนะเนี่ยท่านพูดใช้คำยังไงและอีกอย่างก็ว่านามคือเจตสิกขันสามรูปก็หมายถึงกรรมมชรูปนามนี่จริงๆแล้วท่านพูดไว้รวมๆอย่มะท่านในบาลีท่านใช้คำว่านามมันจะรู ป, ปัญจะนามด้วยรูปด้วยเนี่ยนะใน คำย่อในส่วนที่บอกว่านามได้แก่เจตสิกขันสามก็คือเวทนาขันสัญญาขันและก็สังขารขันใช่ไหมส่วนรูปนั้นคือภูทรูปภูทรูปนั้นก็มีพวกมหาภูทรูปพวกวัตถุรูปแล้วก็รูปชีวิตตินทซีพวกนี้เป็นรูปทั้งนั้นใช่ไหมจัดว่าเป็นรูปทั้งนั้นแหละนามรูปที่เป็นปัจจัยโดยการเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะได้อย่างไรนามที่เป็นปัจจัยเกิด จักขวาญาตนาเป็นต้นเนี่ยนะอายตนะคือตาเนี่ยจะมีได้เฉพาะในกลุ่มสังเสทชะและก็โอปปาติกะกําเนิดอ่าอย่างเช่นนามนี่นะรูปที่เป็นปัจจัยเกิดจักขวาญาตนาโสตาญาตนาคานายาตนะชิวหายาตนะกายายาตนะอย่างนี้ยกะแยอย่างนี้นะเกี่ยวกับอาญาตนะเนี่ยใช้คําว่าจักขวาญาตนะเป็นต้นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเป็นปัจจัยเก่รูปเนี่ย ปัจจัยแก่ยตนาเนี่ยจะได้กลุ่มสังเสทะชะ้ากำเนิดและโอปปาติกะกำเนิดย่อหมูตามทันใช่ไหมตรงเนี้ยทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะในกำเนิดเช่นนั้นนามสามนามขันสามเนี่ยนะที่อาศัยวิญญาณก็สามารถเป็นปัจจัยแก่จากขว า, ายตนาเป็นต้นได้ทีนี้รูปล่ะรูปก็หมายถึงภูตรูปที่เกิดจากสมุธฐานคือกรรม เป็นปัจจัยให้เกิดจักขวายตนกะก็ได้ที่เป็นอุปาทยรูปในกราบเดียวกันน่ะนะถ้าเราพูดในลักษณะนี้ก็จะมองเห็นว่าถ้ากลุ่มจักขายตนะเป็นต้นหนีบได้พวกโอปปาติกะได้พวกสังเสรชากาเนดใช่ไหพวกนี้เกิดมาแล้วมีอายตนะครบไหมเนี่ยพอครบนี่แหละเขาถึงได้กลุ่มพวกนี้จึงได้กลุ่มพวกนี้ส่วนฉัฏฐายตนะ ก็แปลว่าอายตนาที่หกฉัฏฐานยตนาอายตนาที่หกนี้ได้แก่อะไรมานายตนะทีนี้ถ้าหากบอกว่านามเป็นปัจจัยนามขันสามเวทนาขันสัญญาสังขาร น, นี่นะเป็นปัจจัยแก่อายตนาที่หกท่านท่านพระสารีบุตรบอกว่าอายตนาที่หกคืออะไรคือมานายตนะนี่เป็นอย่างนี้ อายตนะที่เป็นปัจจัยแก่ผัสสะก็นั้นอีกอย่างหนึง่งแต่ในที่นี้คือนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะยังไม่จบใช่ไหมนามเป็นปัจจัยอายตนะจบหรือย่างนามรูปอะยังยังทีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของการสงเคราะห์ปัจจัยเนี่ยตามไปดูในกรุฎในจุดการสงเคราะห์ปัจจัยนามรูปปัจจะยาสลายตนะนังเนี่ยนะ นามรูปเป็นปัจจัยเกิดสรายยตนะเนี่ยในบทเนี้ยค่อนข้างที่จะทําความเข้าใจค่อนข้างจะยากค่อนข้างนิดหนึ่งอัจฉติกายตนะหกใช่ไหมอัจฉติกายตนาหกที่จริงคําว่าอายตนะดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วก็หมายถึงทั้งสิบสองนั่นแหละแต่ในที่เนี้ท่านเอาแค่ว่าเอาหกภายในอย่างนีน้ถ้าดูในเรื่องของการที่ว่าว่ามีกะ อานา น, นามคือเจตสิกเนี่ยนะทว่าโดยรวมทั้งหมดเลยเนี่ยไอตัวนามที่จะเป็นปัจจัยให้กับตัวมนาอายตนะเนี่ยหรือนามที่จะเป็นปัจจัยให้กับพวกกลุ่มกลุ่มมนายัยตนะเนี่ยมีอะไรบ้างนามคืออะไรนามคือเจตสิกขันสามใช่ไหมนามคืออโลภาอโทสะอโมหะคือเหตุ แล้วก็นามคือเจตนาใช่ไหมแล้วก็นามคือภาษาเจตนาเนี่ยนามคือฌานนามคือมัจนามคืออินทรีย์พวกนี้โดยสรุปเบ็ดเร็จก็คือเป็นปัจจัยให้กับมนายตนะถ้าพูดโดยรวมอย่างนี้มันก็จะมาทั้งหมดเลยซ้ำไปแต่นี้ถ้ามาแยกแยะมันก็จะออกมาอีกเยอะ อย่างยกตัวอย่างทว่าทั้งหมดแล้วมันจะเห็นทว่าทั้งหมดนี่แปลว่าเขายังไม่ได้แยกแยะใช่ไหมตัวพวกสาชาติชาติเล็กก็ยังไม่พอแต่พอไปแยกแยะออกมาไปค้นหาตัวออกมาถ้าใช้คําว่านามคือเจตสิคขัณฑ์สามเนี่ยที่ประกอบกับโลกเยี่ยบากเป็นปัจจัยช่วยประกาละแก่ใช่ไหมมัณยยตนาซึ่งได้แก่โลกเยี่ยบากถ้าพูดในลักษณะนี้ที่เกิดพร้อมกันกันกบตน อำนาจปัจจัยจะมาเจถ้าอย่างนี้จะได้เจ็คือสาชาตาสาชาตานิสยาสาชาตัดทีสาชาต า, า, า, า, ต า, า, า, ตาวิกตะใหญ่สี่อัญญามัญญาวิปากะสัมปยุตตะแล้วก็วิปากะปัจจัยก็ได้เจพอดีเลยได้แค่เจ็ปัจจัยใช่ไหมแต่ถ้าไปเอาตัวเอาตนของสาชาตชาติเละขึ้นมาเนี่ยอำนาจปัจจัยจะขยายขึ้นเช่นไประบุว่าันน้ำคือเหตุ อะไรวบังกันนําอะไรเป็นเหตุได้บ้างอโลพาโทสะโมหะก็จะมาถ้าน้ำคือเหตุมาปุ๊บนี่จะเพิ่มเหตุตัปัจจัยเป็นหนึ่งเห็นมานมองเห็นอยังงตัวเหตุตัปัจจัยจะเพิ่มขึ้นมาเลยถ้าไปบอกว่าน้ําคือเจตนามาอีกแล้วตัวเจตนาจะเพิ่มกรร ม, มปัจจัยเป็นสาชาตากรรม ม, มานอกจากสาชาตากรรม ม, มาแล้วมโนสัญเจตนาหารมาอีกรวมเป็นเก้าจริงๆใช่ไหม จากเขึ้นเป็น9เห็นะไอ้ฐานเดิมมาจากเจเนะี่ยมันจะเริ่มเห็นถ้าไปบอกว่านามคือเพิ่มภาษาและเจตนาขึ้นหนึ่งไอ้ตรงนี้มา8อันนั้นก็นั่นถ้าไปบอกนามคือมักนามคือฌานนามคือมักนามคือฌานขึ้นมาแล้วอำนาปจปัจจัยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วถ้าไปบอกว่านามคืออินเสีย พวกจะเพิ่มอินรีมาเป็นแปดอีกถ้าบอกว่านามคือมักมถ้าบอกน้มคือมักล่ะนามคือมักนม้ ม, กนมคืออินรีน้มคือชาญขึ้นมาเนี่ยก็จะมาแล้วสาชาเตนเตีตยมักฆะจะได้ไหมออกข้อแต่แต่ชาญไม่มาเนี่ยนคือมักน้มคืออินรีก็จะได้มาเก้าถ้าบอกน้ำคือชาญเห็น ไ, ไหม ยกตัวอย่างเช่นว่าเอกคตาเนี่ยเป็นชาญก็ได้เป็นมร ก, ก็ได้เป็นอินทรีย์ก็ได้โอ้โหไทยอย่างเงี้ยไหจากเจเพิ่มอีกสเป็นสิบเลยทานามคือเจตสิกขันสามที่ไหนปฏิสนธิการเป็นปัจจัยแก่ปัญจาแย แ, แต่นะานีนามเป็นปัจจัยแก่รูปแล้วนามเป็นปัจจัยแก่รูปอันนี้จะมาในกลุ่มของ6กเห็นไหมปจัจจัยคือคือลักษณะการอย่างเงี้ยท่านท่าน ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าถ้าเวลาเราสวดดังที่ได้กล่าวบอกว่าอาวิชาปัจจยาเนี่ยสังขารละอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยทงครับมันมองเห็นว่าอำนาจปัจจัยยังไงถ้าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญ ญ, ญาณก็ยังเห็นชัดใช่ไหมเห็นยังไงสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญ ญ, ญาณก็ได้ได้นานักคณิกากรรมว่าปัจจัยประตูมีเป็นต้นนั่นนะถ้าหากวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูป ไอ้ตัววิญญาณเป็นปัจจัยปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแรงต่างนี่ก็อํานาจปัจัยก็จะเพิ่มขึ้นมองเห็นใช่ไหมคนมีปัญญาก็ไม่ให้พรเพื่อตัวเองหรอกบางคนนี่เวลาจะให้พรใดๆเนี่ยให้ เ, เ, ใหพเพื่อตัวเองก็คนฉลาดก็ไม่ให้พรเพื่อตัวเองอย่างยกตัวอย่างถ้าใครอยากจะมีอายุยืนยาวเขาให้พรไงรู้ไหมขอให้เข้าไปเจ้าได้มีโอกาสเห็นท่านอายุยืนร้อยปีว่า เนี่ยแบบนี้มักจะสำเร็จกว่างงันคนอธิษฐานลักษณะเยอจุรีจำปุ๊บเลยเงี้ยบางคนไปอธิษฐานงี้ชมะมาคอยขอ้าพเจ้าจะมีโอกาสเห็นท่านอายุร้อยปีบอกงั้นทำบุญอะไรก็อธิษฐานเอ็มก็เหมือนอย่างกรณีกันอ้างว่าบุคคลใดไม่สามารถทำอันตรายพระชนชีพของพุทธเจ้าได้ไม่้ชั้นใด ขออันตรายเหล่านั้นจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าหรือจงอย่าได้มีแก่ท่านเช่นเดียวกันการอธิษฐานลักษณะนี้เห็นแก่ตัวไหมจริงๆจริงๆเขาให้อธิษฐานเช่นนี้หลักการอธิษฐานนะต้องอธิษฐานลักษณะเช่นนี้เช่นบทสวดโดยทั่วๆไปที่อาจารย์ยกขึ้นมาคือว่าทุทธานังชีวิตตสานาสักาเกณฑจิอันตรายโยกาตุงตะทาเมโหตูนี่โดยหลักการก็คือตรงนี้ ได้วันนี้ออกไปทั่วเลยนีงอ่ะยังไม่จบนะยังไม่จบอ่ะต่อไปก็คือรูปใช่ไหมวันก่อนไปพูดถึงในเรื่องของรูปในส่วนของนามก่อนนามคือเจตสิกขันสาที่ประกอบกับปัญจโวกาและวิบากเป็นปัจจัยแก่ปัญจายตนะในประวัติการแห่งปัญจโวกระพุ่มนั้นได้อํานาจปัจจัยเท่าไหร่ปัจจัยสปัจจัย4นี่ในในเอกสาร เขาทำเหตุผลกันไว้ไหมหน้าที่เท่าไหร่อ่าเปิดไปดูเจสิบห้าทีหน้าเจ็ดสิบห้านามเจตสิกสขันสามที่เกิดหลังเป็นปัจจัยแก่ปัญจายญยาณที่เกิดก่อนในปวัติการที่ประกอบกับปัญจโวการาวิบากเห็นไหมเน้นปัญจโวการาวิบากเพราะถ้าในจตตโวการาวิบาก นามเหล่านั้นไม่สามารถเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยให้กับรูปได้เพราะในภูมินั้นไม่มีรูปทีนี้ในปัญโยกาละภูมิเท่านั้นจึงจะเป็นปัจจัยกับรูปได้นะได้น้าปัจจัย่สี่คือสาชาตะเ อ, อปัจฉาชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะวิประยุติแล้วก็อัตถิอวิคตะอัมมองยังไงเราจะเห็นมองยังไงถึงจะสามารถเห็นโดยความเป็นปัจฉาชาตะ เอาตัวไหนเป็นตัวตั้งในข้อสิบหมือนตัวไหนเป็นปัจจัยอันอะไรคือปัจจัยอะไรคือปัจจัยฮะในที่นั้นปัจจัยได้แก่อะไรเนี่ยมาดูที่เจตสิกขันสามที่ประกอบกับปัญจวโวกัลวิบากตรงไหนเจตสิกขันสามอยู่ตรงไหนประกอบกับจิตดวงไหนบ้างปัญจวโกรกัลวิบากเนี่ยเจตสิกทั้สามที่บอกว่าประกอบกับปัญจโวกัลวิบากนั้นเจตสิกดวงไหนบ้างเจตสิก เจตสิกที่เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันในไหนในปัญจโวกาลวิบากเหรอไหมเอาลองไล่ไปตามลำดับที่ปัญจโวการวิบากมีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มผวังเหรอไหมปัญจโวการละวังสิบห้รูปรูปาวจระเ อ, อ, อุเบขาสันติสองมหาิบาก8รูปวิบาก 5, ห้าเหรอไนี่ก็ได้ ตาธารมณะจิสิบเอ็ดได้ไหมโดยหลักการได้สันติสามมหาิบากแปดในขณะทําหน้าที่ตทารมานะใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นปัจจัยให้กับชาติอื่นใช่ไหมชาติกิริยาไม่ได้วธดธวนาปัญจทวารวจนะไม่ได้มโนวทวารวจนะก็ไม่ได้ชาวนะก็ไม่ได้แต่ผวังได้ในที่นี้ยกมาเป็นตัวอย่างเพียงพวังใช่ไหม เพราวังที่เกิดหลังๆนั่นแหละเป็นปัจฉาชาตปัจจัยหรือตาธารมนาที่เกิดหลังก็ได้เป็นปัจฉาชาตปัจจัยอุปการลักษเแกเอกัชกายเอกัชกายได้แก่อะไรเอกัชกายนีย่ที่เกิดก่นกอนๆได้แก่อะไรกรรมชการาบสามเจ็ดกายะท่าสากกราภาวะท่าสักกราบวัตถุท่าสักกราบดีสาม เก็คือจก u, ักรคุทัศาโสตทัศาค า, านะาทัศาชิวหาทัศ า, ากายะทัศะหาทยะทัศะภาวะทั า, าครบไปยงชีวิตนาฏกได้นะส่วนสก็คือจก u, ักขุทัศโสตแล้วก็วัตถุชีวิตใช่ใน4กราบเป็นเอกัตชากายนี่นะในที่อุปาทขนาของปฏิสนธิจิต เอาพวังสิบหนะแค่นี้นะเอาพวังสิ16กสขนาใช่ไมสิบหกขณะเอาขนาดที่เป็นอุปาทขนาดกับถีติขณะของพวังแต่ละดวงนะนิยมชี้มาในปฏิสันทิการนะไม่ใช่การอื่นอุปาทขนาถีติขนาดของพวังดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงดวงที่สิบเป็นปัจฉาชาตปัจจัย ช่วยอุปการละแ ก, กเอกัชกายคือกรรมมชรูปกรรมมชรูปที่เกิดที่อุปาทขณะของปฏิสนธิให้สามารถตั้งอยู่ได้จนครบ17ขณะ น, นี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะว่าไอตัวนามเนี่ยน ะ, ะถ้าหากในข้อที่อีกข้อหนึ่งข้อที่11หากทยวัตถุรูป หัตยโยุรูปคือหัตยโยตุนี่เป็นปั จ, จัยแกมมานายะตนะอันนี้อายะตาะที่6ซึ่งได้แก่ปัญจโวการะปฏิสนธิ75ตสในปฏิสนธิการแห่งปัญจโวการภูมินี้ในปฏิสนธิการดีน ะ, นะถ้ามีตัววิธีจิตนี้ดูก็จะชัดขึ้นนะนจะชัดขึ้นก็ปัญจโวการะท่านในหนังสือปัญจโวการวิบากเท่าไหร่ ข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยสิบห้าใช่ในปฏิสนธิการแห่งปัญจโวกกรภูมิได้นาปัจัยหกหกเนี่ยชาติไหนเข้าชาติไหนเข้าเห็นไหมว่าตัวสหาชาแต่ชาติเข้าตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะบางคนไปส่งข้อเป็นวัตถุปรเรชาแต่ชาติเข้าใช่ไมไม่ได้เพราะอะไรตัวปัจจัยกับปัจจุบันเป็นเกิดพร้อมกันเลยใช่ไหม แล้วถ้าไปดูในแง่ของสาชาตาชาติเนี่ยตัวหาทะเยอถูกเขาเป็นตัวปัจจัยได้ด้วยตัวสาชาตปัจจัยเนี่ยนะถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่าสหาชาตปัจจัยได้เห็นไหมสาใหญสีไงเห็นไหมสาชาต่สาชาต า, าตนิสยาสาชาตัิสาชาตาวิคตะแล้วตามมาด้วยอัญญามัญญาแล้วก็สหชาตาวิปยุตตะ ไม่ได้วิปากับปัจจัยทําไมไม่ได้วิปากัะบาดใจรู้ไหมเนี่ยเพราะตัวหัตถยาวตถุนั้นไม่ใช่วิบากไม่ใช่วิปากระจิตไม่ใช่วิบากจิตใช่ไหมไม่ใช่ชาติวิบากถ้าเขาบอกว่าทําไมหัตถยาวะถูรูปไม่ได้ชาติวิบากบอกชาติวิบากนั้นคือวิบาก36เท่านั้นนอกกนั้นไม่ใช่ถ้ารูปเป็นชาติอะไรเป็นชาติอะไรเป็นกุศลวิบากกิริยาหรือเป็นอะไร หรือเป็นอัพยากตะไม่อยู่ในกุศลชาติอกุศลชาติวิปาชาติกริยาชาติเลยใช่ไหมฉะนั้นรูปจึงเป็นอัพยากระตะธรรมเมื่อเป็นอัพยากรตะธรรมจึงไม่ได้วิปากระปะใ จ, จไม่ได้วิปากระปัใ จ, จเอาวิปากระปะใ จ, จออกเหลือหกชัดหรือยังนนย ต, นนะนะตรงนี้ยชัดเจนในะตรงนี้นี่เราก็เริ่มมองถอดตัวที่ออกไอ้ที่ไม่มาไม่ต้องตามไปดูนะกคศลชาตินะนี่เป็นนี้ จริงๆเวลาอธิบายเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้อ่ะท่นี้ถ้ามองเห็นตรงนี้ในข้อที่11นี้ก็จะเห็นชัดเจนคือว่าในปฏิสนธิการแห่งปัญจโกรพภูมิเนี่ยที่อุปาทกนาของปฏิสนธิจิตเนี่ยหาทยะวัตถุรูปใช่ไหมเป็นปัจจัยแก่ปัญจโกญวโกราปฏิสนธิสิบห้คืออุเบขาสนันตีสองมหายบากแปดโรวิบากหเนี่ย ใช่ไหมถ้าตรงนั้นเราจะเห็นโอ้รูปเป็นปัจจัยแก่นนามนี่สาชาตชาติใหญ่สี่สาชาตชาติกลางสองนะว่า้นเว้นวิปากับปัจจัยกับเว้นวิปากับปัจจัยเออขอ้อกับสัมยุญตาปัจจัยเว้นสองปัจจัยออกไปใช่ไหมเว้นวิวากกับสัมยุ์ออกไปก็เลยเหลือหปัจจัยนี้เป็นสาชาตชาต ไม่ใช่ได้ชาติอื่นเพราะตัวปัจจัยกับปัจจุบันเกิดพร้อมกันอ่าข้อที่ต่อไปคือข้อที่12ในข้อที่12นั้นหัตเยวัตุรูปที่เกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่ น, นี้ชัดเลยเนียดูสํานวนการถามที่เกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่คําถามสําคัญมากนะถ้าเกิดก่อนกาลังตั้งอยู่แปลว่ารูปเกิดก่อนใช่ไหมเนี่ย แล้รูปนั้นก็กําลังตั้งอยู่รูปนั้นต้องเน้นเอาหาทยายวัตถุรูปด้วยแห่งมนายะตนะนะให้กับปัจจัยแก่มนายะตนะเป็นปัจจัยแก่มนายนะพวกไหนปัญจโวกาลวิบาก18เว้นทวิส0วิบาก18บวกทวิ10เป็นเท่าไหร่เนี่ยยี 28, ใช่มในยี่สิเนี่ยที่จริงมาจากโลเยี่บาก32นี่เว้นอัลูกวิบากสี่ออกไปก็เหลือ เล่ายี่ปดเอาออกอีกเท่าไหร่อทวิสิออกไปทําไมต้องเอาทวิปัญจวิญญาณนัติสบออกรู้ไหมทวิสิไม่ได้อาศัยหาทแยะววถุใช่ไหมเพราะตัวทวิปัญจวิญญาณมนายาตนาพวกนี้เขาไปอาศัยจักขวายาตนาโสตายาตนาคานายาตนาชิวหายาตนาและกายายาตนาไม่ได้อาศัยหาทแยะววตถุส่วน สิบแปดที่เหลือสิบแปดที่เหลือคือคือคืออะไรมหายบากแปดใช่ไหมสำปฏิชนะได้เดยไหมได้โดยเปล่าเนี่ยวิบากทําไมไม่ได้สัมปติสันตีได้หเปล่าเห็นไม่ได้ก็อีกใช่ไหมหมายบากแปดได้แปดแล้วเนะแล้วก็อะไรอกอ่ะอุเบกขาสองได้หรือเปล่าอุเบกขาสองสันตีสาม เป็นเท่าไรแล้วไหนะเป็นสิบสาแล้วอะไรก็โรควิบากอีกห้าเป็น18ปดพอดีใช่ไหมใช่ไหม <Okay. S 2> เขาบอกว่าปัญจโวการวิบาก18บแปดว่าไ ง, งเว้นทวีปัญจวิญญาณจิในประวัติการแห่งปัญจโวการภูมิเนะไม่ใช่เอาในปฏิสนธิการแล้วเอาในประวัติการหรือลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าตัวหัดเทยอถูรูปตัวหัดเทยอถูรูปนี่นะ เกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่เนี่ยได้วัตถุปเรชาตะชาติมาแล้ววัตถุปเรตาชาตานิสยปัจจัยวัตถุปเรชาตาปัะจัยวัตวถุปเรชาตะวิบวัตถุปเรชาติทิวัตถุปเรชาตะอวิคตะเป็นอินทรีย์ไหมเป็นอินทรีย์ไหมได้ห้านะไม่ใช่ได้หกนะนะข้อพายด้าน้าาปัจจัยา เวน้นปุเรชาติินธี ي ยปัจใจเพราะตัวหาทยวัตุไม่เป็นอินทรีย์ไม่เป็นอินทรีย์แต่ถ้าจักขูวัตถุเป็นอินทรีย์ไหม mm hmm. เป็นใช่ไหมสังเกตให้ดีนะถ้าเป็นพวกจักขคูวัตถุปันจ้าวัตถุห้าอันนั้น mm hmm. ได้อินทรีย์อันนี้ไม่ได้อินทรีย์ปัจใจนะไม่ได้อินทรีย์ปัจัยนี่เป็นอย่างนี้อันนี้คือให้ดูภาพถัดไปนี่ อ่ะดูภาพถัดไปอันนี้เป็นข้ออีกหนึ่งเลยนะหัตยืวตถุรูปเกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยแก่เป็นปัจจัยแก่ได้เป็นหนาปัจจัยห้าวัตถุเปรียชตาณิสยวัตถุเปรียชตะวัตถุเปรียชตาวิบวัตถุเปรียชาตาถิวัตถุเปรียชตาวิขตตัวหัตยืวัตถุที่กําลังเกิดขึ้นและตั้งอยู่เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุใช่ไหมและก็มโนวิญญาณธาตุเป็นต้นเนี่ยนะถ้าสามารถเป็นปัจจัยได้ เป็นปัจจัยกับมโนธาตุคือสัมปติชนะโมยานาธาตุคือสันตีอะไรนะเห็นไหมแล้วยังไปเป็นปัจจัยกับตาธารมรณะก็ได้เอาเป็นปัจจัยกับโวัธฐปณะได้ไยโวัธฐปณะในที่นี้ไม่ใช่วิบากใช่ไหมเป็นกิริยาแต่จริงๆเขเ ป, นะเป็นได้นะจริงๆเป็นได้นะถ้าหากไม่ได้จํากัดคําถาม ไม่ได้จำกัดคันถามเพราะการเป็นปัจจัยเนี่ยขาสามารถตั้งอยู่ได้นานๆกเ็เลยนี่มนายัตนะทวีต่อไปอีกข้ออินซีไม่ได้นะเอาข้อที่สิบสารูปคือปัญจายตนะจากขายาตนะโสตายาตนะคานายนะ์ชิวหากา ย, ายตนะที่เกิดก่อนและกำลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยแก่มนายตนะทวีปัญจาวญาณได้เจ็ดสิบเรียกมนาญานะนะ จิตทั้งหมดเป็นมาัณายเจตนะอยู่แล้วในประวัติการแห่งปัญจวัลกระพมได้าน่าปัจจัยหกนี้วัตถุปเรชาแตชาติเข้ามาทั้งหปัจจัยเลยเข้ามาทั้งหมดเลยใช่ไหมดูตัวอย่างมัชฌิมายุกะไอตรงนี้ที่ให้ทําปัญหาไปยมหมูสบายเลยตัวเนี้ยมองเห็นชัดเลยใช่ไหมตัวเนี้ยปัจจัยนี้มาแล้วเนรขวัญก็เห็นแล้วใช่ไหมมันทายุกะจักขุปรภู菩萨มัชฌิมายุกะจักขุปรภู菩萨และอมันทายุกะ จกักรปรศาสตร์ตัวไหนเป็นปัจจัยดีปัญจประศาสตที่เข้าถึงการตั้งอยู่ของจำนวนสี่สิบเก้าเรียกถีติปั ต, ตะรวมหมดเลยนะทั้งมชิมาอมันทาแล้วก็มันทายุกะสี่สิบเก้าขเป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณจิตสิบนี่ตามอาจารย์ภายหลังนี่ปัญจวิญญาณทาท่าเหล่านี้เป็นปัจจิบนธรรมเนี่ส่วน ภาษาทรูปห eh? um. ้านั้นเป็นวัตถุปเรชาตชาติได้อำนาจเอ่อเป็นวัตถุปเรชาตปัิจัยวัตถุปเรชาตที่วัตวัตถุปเรชาตปัจจัยวัตถุปเรชาตนิสยาวัตถุปเรชาตวิบวัตถุปเรชาตถีวัตถุปเรชาตินตรีวัตถุปเรชาตวิคตะด้วยได้อินซีย์ด้วยใช่ไหมได้อินซียตัวปัจจุบันนั้นเอาทวีปัญจวิญญาณนั้นเจ็ดสิบนะ ไอตัวมนายตนะนี่แหละอันนี้อยู่ในข้อของคำว่ารูปคือปัญจายาตนะเป็นปัจจัยแก่มนายตนะคืออายตนะที่หกนะแต่ถ้าจะพูดกันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะอัตพูดตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้เอาในนี้นะโอ้ตัวอายตนะนี่จากขายาตนะเป็นต้นเป็นปัจจัยกับจิตและเจตสิก ค, คือในทวิสิบนั่นแหละสภะด้วยไหมสภะด้วย นามขันในนั้นด้วยแต่ในที่นี้ไปอยู่ในข้อของคำว่านามรูปปัจจยาหรือนามปัจจยานามปัจจยาฉัายยตนาใช่ไหมนามเป็นปัจจัยแกอายตนะที่หคือม น, อานายตนะในส่วนของเอิร์คมะข้อภัยนีรูปอันนี้นามรูปประปัจจยานี่รูปประปัจจยาฉัายยตนาไปคือรูปหมายถึงปัญจายตนะเนี่ย ทั้งหเนี่ยเป็นปัจจัยแก่อาญาตนาที่หคือมนายาตนะนี่เป็นอย่างนี้ได้ถ้าในกรณีการคิดตรงนี้นะทําความเข้าใจในทางด้านของวัตถุปรเรชาตชาติเนี่ยไม่ยากลําดับแรกคือไปท่องวัตถุปรเรชาตชาติได้พอท่องวัตถุปุเรชาตชาติได้ตัวที่จะมาเป็นวัตถุปรเรชาตปัจจัยได้ก็คือพวกวัตถุห และก็จะต้องเกิดขึ้นและกําลังตั้งอยู่เป็นปัจจัยให้กับนามที่เกิดหลังๆที่อาศัยตนเองนะเกิดขึ้นถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเช่นวัตถุปุเรชาตปัจจัยเนี่ยเป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยก็เห็นชัดเลยวัตถุปเรชาแต่นิสยาเป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยเป็นที่อาศัยให้กับพวกมนาญตนะด้วยวัตถุปุเรชาต่วิปยุตตาเงี้ยเราก็เห็นใช่ไหมโอ้เกิดวัตถุด้วย คือจักขูวัตถุโสต่วัตถุคาณนะวัตถุชิวหาวัตถุกายยะวัตถุหรือเป็นหาทยาวัตถุก็แล้วแต่แล้วก็เป็นปัจจัยให้กับตัวถามว่าเป็นอะไรเป็นวิปยุทธเป็นวิปยุทธก็นา ม, มารมและเกิดก่อนใช่ไหมหรือว่าเป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยยังมีอยู่ตัววัตถุยังมีอยู่และยังไม่ปราศจากไปอันนี้ก็ได้6 ถ้าในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมองเห็นปัจจัยชัดเจนนะว่าถ้าถามบอกว่ายะจักขวิญ ญ, ญาณเนี่ยที่พูดมาเนี่ยตัวจักขวิญญาณโสตาวิญญาณคาหนาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณทวิปัญจวิญญาณในเจ็สิบนี่ยว่าน้นเขาเกิดขึ้นอาศัยปัจติหว่าปัจจัยเนี่ยว่าหนึ่งผลหนึ่งปัจจุบันผลต้องอาศัยกี่ปัจจัยเหรอว่า เราก็จะเห็นว่าโอ้โหมองว่าเราจะมองชาติไหนถ้ามองในแง่ของวัตถุปุเรชาตชาติมา6กใตัววัตถุใช่ไหมถ้ามองในแง่ของอารัมมณชาติจักขุยญาณโอ้โหจะได้อะไรเนี่ยอารัมมนากรูปารมณ์ใช่ไหมในวิถีนั้นเน่ยเป็นอารัมมนาปัจจัยอารมณ์นั้นยังตั้งอยู่ด้วยเป็นอารัมนาปเรชาตะปัจจัยใช่ไหมอารมณ์นั้นยังอยู่ด้วยอารัมนาปเรชาตทิ อารมณ์นั้นยังไม่ปราศจากอารมณ์ปุเรชาต์อวิคตะเ อ, อ้าได้สเห็น ไ, ไหมด้านแง่าอารมณ์ได้สี่ถ้ า, าหากในแง่ของในแง่ของอนันตระชาติเห็นไหมปัญจทวารลวะวัชนาเขาบอกถ้ามาเป็นปัจจัยกระจกัจกรูญยานเขาเรียกจกักรครูทวารละวัชนาเห็นไหมเขาก็เป็นปเป็นอนันตระสมา น, นตระอนันตรูปนิสยานาัตถิวิคตะในห้าปัจจัย ให้กับจักรคุ ญ, ญานถ้าเขาเป็นปัจจัยให้กับโสตวิญญาณเขาเรียกโสตทวารละชนะคานาทวารละชนะชิวหาทวารลายกาญาทวารละวชนะเนี่ก็เรียกชื่อไปตามจิตนั้นๆไปเน่ยมโนทวารปัญจทวารละชนะจึงมีชื่อตามตามจิตที่ตามนั้นเนี่ตามจิตที่ตามทีนี้ทํามอง ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้เขาก็จะได้อนันตระสำ น, น, นันตระอนันตโรปนิสยานัตถิวิคัตะถ้าเห็นในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมองของความหลากหลายของปัจจัยแต่อย่างนี้ไม่ได้เรียนกันมาทีละชาติใช่ไหมแต่เมื่อเรียนทุกชาติแล้วก็จะสามารถมองเห็นวงจรของปัจจัยเหล่านี้ได้อย่างกว้างขวางแล้วนั้นแหละคือ สัพพัญุตยานของพระพุทธเจ้าเชีงที่เราพอจะแอบกระซิบรู้ๆบ้างเล็กๆน้อยๆศึกษาตามะธรรมคำสอนแล้วก็ตรึกว่าจริงๆว่าโอ้เพราะมีปัจจัยเหล่านี้เพราะเหตุนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเห็นไหมเพราะสิ่งนี้มีเนี่ยจากคุณญาตเป็นต้นจึงมีเนี่ยหรือถ้าเราจะสืบสาวไปบอกว่าไอ้ตัว วิญญาณเหล่านี้มานายนาตนะเหล่านี้เป็นวิบากไหมเป็นวิบากเมื่อเป็นวิบากต้องเป็นผลของกรรมมาจากนานาคณิกากรรมมาปัจจัยเมื่อมาจากนานาคณิกากรรมมาปัจจัยเป็นปัจจัยที่ต่างขนาดกรร ม, มวิญญาณในอดีตใช่ไหมเป็นปัจจัยให้กระจักคุญญาณเป็นต้นในปัจจุบันพนี้แล้วทาไมเขามีกําลังตั้งอยู่ได้อ๋อปกตูปนิสยปัจจัยมันก็จะเริ่มตามเห็นใช่ไหมต่อไปมันจะเริ่มจอโอ้ หน้าไอตัววิบากเหล่านี้หน้าหน้าเบื่อหน่ายนะเราจะปฏิบัติเพเื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อปล่อยเพื่อละจักคูวิญญาณโสต่าวิญญาณเป็นต้นได้อย่างไร ก, ก็ก็ตามรู้ตามกําหนดดูใช่ไหมถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เราเห็นเหตุเห็นปัใจจัยในลักษณะอย่างนี้ในที่สุดจริงๆเราก็จะตามไปดูเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะในที่สุดจริงๆก็จะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ ปฏิบัติเพื่อปล่อยละวางแล้วก็จะแทงตลอดอริยสัตว์ซึบต่อไปแต่ถ้าไม่เห็นเหตุปัจจัยเหล่านี้เรามีไหมที่จะเบื่อหน่ายท่านเบื่อหน่ายเบื่ออะไรเบื่อเขาพูดกับเราไม่ดีเบื่อเบื่อว่าคนนี้พูดกับเราไม่ค่อยดีเราเลยเบื่อใช่ไหมเจ้หมูเป็นงั้นไหมคนนี้พูดกับเราดีเราเลยไม่เบื่อถ้าเบื่ออย่างนี้เบื่อจริงไหมเบื่อเพื่อจะยึดหรือย่างนี้ไม่ใช่พระธรรมคาสอนนี่เป็นอย่างนี้ ไอ้อย่างนี้คือต้องการแยกแยะเห็นในรายละเอียดนะว่าเออเป็นอย่างนี้จริงๆเริ่มจะมองเห็นใช่ไหม ต, ตอนนี้ยตอนนี้ยอมหูหูตาสว่างขึ้นไว้เลยมืดลงมืดลงอ่ะต่อไปนต่อไปต่อไปอยู่ในข้อว่ารูปกรรมชะมหาภูธรูปแม้พอพูดถึงกรรมชะมหาภูธรูปเนี่ยนะมหาภูธรูปที่เกิดจากกรรม ถ้าพูดถึงกลุ่มมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยถามว่าไม่ได้เน right ้นนะมหาภูตารูปนั้นจะเกิดจากกรรมดีหรือกรรมไม่ดีมหาภูตรูปที่เกิดจากกุศลกรรมได้ไหมเกิดจากอกุศลกรรมได้ไหมได้เห็นไหมว่าพอบอกว่ามหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเน้นเน้นลงไปเป็นพวกกรรมมชรูปนี่นะแต่เอาแค่ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมทีนี้ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ปัญจายตนะ เป็นปัจจัยแก่ปัญจายตนะปัญจายตนะก็คือจากข้ายตนะเป็นต้นนะที่ตั้งอยู่ในกราบเดียวกันกับตนทั้งในปฏิสนธิการประวัติการแห่งปัญจวการาภูเออธรรมาพิจารณาอย่างนี้แม้แต่มหาบูตรูปใช่ไหมเขายังเป็นปัจจัยแก่อายตนะได้เนี่ยมองเห็นใช่ไหมเขาเป็นปัจจัยแก่อายตนะได้ ทีนี้ถ้าดูในด้านของกรรมมชามหาพุทธรูปสใช่ดินน้ำไฟลมที่เกิดจากกรรมที่ตั้งอยู่ในกระราบเดียวกันกับต น, นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาปัญจายตนะคือจักขวายตนะเป็นต้นนี่นะในจักขุทัาสากกระาบกระาบที่มีจำนวนรูปสิบเนี่ยด้วยในนั้นมีอะไรรูปารมณ์มีอะไรบ้างอะคันธารลมราสารมอาหารแล้วก็ชีวิตตรงนั้นเอาไหมไม่เอา เอาตัวจกวันะ是是วจกขายตนะใช่ไหมตัวจักขายตนะนั้นเป็นปัจจยุบันนธรรมของกรรมัชฌมหาพุทรูปสีคือดินน้ำไฟลมเขาเป็นปัจจยุบันของดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเป็นปัจจัยทีนี้อํานาจปัจจัยนั้นได้ไหลายสาชาตชาติใหญ่สีคือสหาชาตปัจจัยสาชาตตตนิสยาสาชาตทิสาชาตวิกตะ ก็แปลว่าอย่างไงดินน้ำไฟลมเป็นเกิดก่อนเดี๋ยวเออเกิดเกิดพร้อมกันกับจักขายทานะดินน้ำไฟลมเป็นที่อาศัยกับจักขาเยทานะดินน้ำไฟลมยังมีอยู่ดินน้ำไฟลมยังไม่ปราศจากไปใช่ไหมเอ๊ะทําไมไม่ได้อันยะเพราะตัวปัจจิบันเป็นจักขาเยทานะไม่ได้เป็นดินน้ำไฟลมลองเห็นทีไหงว่าเป็นอุปาทัยรูป ไม่ใช่เป็นมหาภูทรูุเอ๊ะทำไมไม่ได้ปัจจัยอื่นละ่ะพวกวิปากระปัจจัยบอกนะ ไ, ไม่ได้เพราะรูปเป็นอัพยกตธรรมไม่ใช่วิบากทำไมไม่ได้กรรมาปัจจัยเอารูปไม่ใช่เจตนาหเห็นไ้ยเห็นหรือยังต่นนี้ยทำไมไม่ได้พวกอาหารละ่ะเออดินน้ำไฟลมไม่ใช่อาหารไม่ใช่โอชาหนี่ใช่ไหม เออท้าไม่ได้อินทร์สีล่ะดินน้ำไฟลมไม่เคยเป็นอินทร์ีได้เลยเราจักขุนสีเป็นต้นไปไม่มีคาว่าดินน้าไฟลมใช่ไหมมองเห็นยังในไม่ได้มรคับปัจจัยล่ะใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่วิตกไม่ใช่สัมปัญญาเนี่ยเป็นต้นเนี่ยสรุปแล้วก็คือสาชาติชาติเล็กก็ไม่ได้ใช่ไสาชาติชาติกลางก็ไม่ได้ได้สาชาติชาติใหญ่ ทีนี้ถ้าหากว่ดินน้ำไฟลมที่เป็นกรรมชะหมาภูทรูปเป็นปัจจัยแก่จักขายาตนาได้สปัจจัยถ้าไปเป็นปัจจัยกโสตายาตนาคานายนาตนะชิวหายาตนากายายาตนะก็ได้อย่างละสีอย่างละสีอย่างละสีปัจจัยเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเขาเองเป็นปัจจัยให้กับอุปาธยารูปคือจักขายาตนะเป็นต้นแล้วได้อำนาจบัจจัยสี่ด้วยอาการอย่างนี้เขาไม่เคยรู้เนะี่ย แต่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีจริงๆใช่ไหมตามเห็นเพียงพอแก่การที่จะไปรู้อย่างนี้ก็ถือว่าโอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะนี่ข้อที่สิบสี่นี่มองเห็นแล้วนะไอถ้าเรียนอย่างนี้จริงๆถ้าเราไปเขียนกระดานละช้าเนะเนี่ยดีนะที่ก็เขียนให้เราดูอย่างนี้ใช่ไหมทำให้มองเห็นชัดใช่ไหมเอาต่อไปข้อที่สิบห้าต้องขอบคุณผู้เขีย น, นรูปชีวิตดินสี<ร>ไอ้ตรงเนี้ยรูปชีวิตดินสีเนี่ย เป็นปัจจัยแก่ปัญจายตนนที่ตั้งอยู่ในกราบเดียวกันกับตนดูได้ดูได้นะดูตัวอย่างได้ถึงรูปชีวิตตินสนะีทั้งในปฏิสนธิการและปะวัติการแห่งปัญจโวกรลภูมินีนะ่นี่ปัจจัยเข้าสา ม, มารูปชีวิตตินเรียชาตสามมาแมว่า พ, พูดอย่างนี้ถ้าไม่เน้นตรงนี้ก็ไว้จะไปเข้าใจเป็นสาชาตชาติถ้าไปเข้าใจเป็นสาชาตชาติแล้วยุ่งเลยเนะยุ่งเล ย, นะ ย, เ, ลยเอาทาไมถึงยุ่ง เพราะว่า<ม>เราไปเข้าใจว่าไอ้ตัวปัจจัยปัจจุบันเกิดพร้อมกันใช่ไหมถ้าจับองค์ธรรมของสาชาตราชาติไม่ได้เนี่ยยุ่งเลยนะเพราะองธรรมของสาสาตราชาตินั้นตัวปัจจัยนั้นมหาบุตรลูกสี่ได้นอกนั้นไม่เป็นปัจจัยไม่เป็นองธรรมของสาชาตราชาติเนี่ยแต่รู้อย่างนี้แต่ถามบอกว่าถ้ามาดูอย่างนี้ดูตามเหตุผลก็เปิดไปไม่ได้จริงๆเพราะจริงๆที่ย้ําข้อนี้บ่อยเพราะเคยผู้ผบรรยายเคยพลาดมาแล้ว ไม่ได้เรียนเนยะคิดเองไงเข้าใจเองคิดเองเหมาเองจ่ายเองเบ็ดเสร็จในรายละเอียดเนี่ยไ้ยมันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนลักษณะบอกว่าท่านผู้นี้ยมีสิทธ์ว่างั้นมีสิทธิ์เป็นในร้อยได้เนี่ยไอ่คาว่ามีสิทธิ์อย่างเดียวเนี่ยมันด่านแรกนะเนาะมันได้แค่ด่านแรกพอไปด่านสองก็ยังมีข้อมูลอีกนะตรวจผ่านตรวจโลกหรือยังอ๋อผ่านข้อเขียนนี่ยังผ่านสัมภาษณ์นีอยังอ๋อโอ้โหจบเลยอย่างนี้ เอาว่านึกว่ามีสิทธิ์เพียงว่ามันได้พร้อมเท่านั้นเองแต่มันยังไม่ได้อย่าอื่นวกนันไอ้กรณีนี้เหมือนกันมองเห็นไหมเน่ยทีนี้โรคชีวิตตินซีเนี่ยอาอยุตรงไหนถ้านในจักขายาตนาเนี่ยให้สังเกตดูว่าตัวโรคชีวิตตินซีในทีนี้เป็นตัวอุปาทายรูปมาอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปคือจักขายาตนาไหมเขาเป็นในขนาดไหนในปฏิสุลทีการได้ไหมสัตว์พวกไหน พวกโอปปาติกะพวกสังเสทชะใช่ไหมกลุ่มพวกนี้ที่มีจักขายะจักขวายาตนาโสตายาตนาคานาชิวหากายายตนาเนี่ยเกิดครบมีใช่ไหมในปฏิสนธิการแต่ถ้ า, ากลุ่ ม, มนุษย์ในหลังๆสมัยหลังๆมาก็ในประวัติการนะถึงจะเป็นปัจจัยกับจักขายาตนาเป็นต้นได้อันนี้ด้ามนาตรรูปชีวิตตินทรียได้อธิบายคําว่ารูปชีวิตตินทรีให้ฟังอย่างก็แปลว่าไง คำว่ารูปชีวิตตินทรีย์รูปชีวิตวททททวตินซีเนี่ยอธิบายยังไงว่าทำที่เป็นรรมที่เป็นรูปชีวิตตินซีเนี่ยเกิดได้ทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการยังไหให้ตัวรูปชีวิตตินซีเนี่ยก็จะต้องอุปการละกลุ่มกรรมกรรมมชรูปเท่านั่นแหละกรรมมชรูปเหรือ8ที่อยู่ในกราบเดียวกันเนี่ยกับตนเองเท่านั้นเองเขาถึงจะสามารถอุปการละ แต่ลักษณะเห่งการอุปการะเนี่ยมันอุปการะต่างจากการเกิดพร้อมกันที่เป็นสาชาตชาติใช่ไหมต่างกันตรงนี้ยอมหมูทําความเข้าใจดีนะเนียนเหมือนกันคือทำที่เป็นปัจจัยและปัจจุบันที่เกิดพร้อมกันในกราบเดียวกันนั้นนะ่ะนะสำหรับในรูปชีวิตเินงเทียปัจจัยปัจจัยและปัจจุบันเนี่ยเกิดพร้อมกันรูปเป็นปัจจัยแก่รูปใช่ไหมซึ่ง ถามว่ารูปที่เป็นปัจจัยแก่รูปเนี่ยต่างกาันหรือเปล่าถามมาต่างรูปชีวิตตินเรียปัจจัยนั้นก็ว่าบอกว่ารูปเป็นปัจจัยแก่รูปซึ่งตามธรรมดารูปนั้นจะเป็นปัจจัยได้ก็ต่อเมื่อถึงไหนถึงขณะไหนถีติขณะแล้วเท่านั้นทำไม่ใช่ตรงถีติขณะหรือขณะตั้งนอะอุปาทัศขณะของรูปเป็นปัจจัยได้ยังพังค์ขณะของรูปดับใช่ไหมเอาถีติขณะของรูป49เนี่ย ขนาดตั้งนับกับเทียบกับจิตก็คือนั่นแหละเราดูตรงนี้เราเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็น49อย่าง49ของประสาทที่เข้าถึงถีติปตะ49ย้อนไปดูคองแล้วก็จะเห็นนั่นแหละจะเห็นน่นะเขาเรียกถีติขนาดนั่นแหละคือถีติขนาดถามว่าถ้าขนาอุปาถ้าขนาดมีกำลังน้อยไม่สามารถอุปการะทำมอื่นได้ส่วนถ้าเป็นสห ชาติินซีนี่นะที่เป็นปัจจัยแก่นนามนี่แก่รูปนั้นเนะ่ยเป็นปัจจัยแก่รูปให้ตั้งอยู่ที่อุปาทขณะมันต่างกันไหมยมสตรีมองให้ดีนะถ้าเป็นอย่างยกตัวอย่างเอ๊ะทำไมไม่ได้สาชาตินซีใช่ไหมสาชาตินเรียปัจจัยใช่ไหมถ้าพวกอินทซีอะถ้าสาชาตินเรียปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยนั้นนะ่ยจะต้องเป็นนามและการเป็นปัจจัยต้องเป็นที่อุปาทขณะ แต่ถ้ารูปชีวิตินทรีย์ในการเป็นปัจจัยเขาต้องมาเป็นอยู่ตรงที่ถี่ตีขนาดของรูปและต้องเป็นรูปต่างกันชัดเลยเริ่มมองเห็นได้ว่ารูปอุปการะรูปเนี่ยที่เป็นรูปชีวิตินทรียชาติเนี่ยมันต่างกันถ้ารูปชีวิตอินทรียชาติก็เน้นรูปเป็นปัจจัยแก่รูปเนีไม่ใช่ว่ารูปเป็นปัจจัยแก่น้มเหมือนสาชาตินทีนี้ทีนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ถามบอกว่า ถ้าบอกว่ารูปชีวิตตินเรียปัจจัยเป็นปัจจัยแก่รูปที่เหลือในกราบเดียวกันกับตนเนี่ยโดยโดยโดยไหนโดยชนกสติหรืออุปถรมพวกสติโดยอนุปาละสติโดยอนุบาลเท่านั้นเองอนุบาลอนุบาลเหมือนอะไรหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงนะไม่ใช่อุปธรรมด้วยอนุบาลอนุปาละกสติเท่าั้นคอยอนุบาลคอยคอยรักษา เหมือนังไงอนุบาลจะบอกว่าอุปธรรมก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมแต่คล้ายเนะี่ยส่วนท้าสาชาตินเทียปัจจัยละเป็นปัจจัยธรรมแกธรรมเกิดพร้อมกันตนด้วยชนกกสติและอุปธรรมพกกสติต่างกันไหม ใ, ใจเย็นชัดนะีตรง น, น, รงนี้ต้องการพูดพูดตรงนี้ให้เข้าใจชัดเจนขึ้นในทางด้านการรูปชีวิตติรี รูปชีวิตินทรีย์ปัจจัยรูปชีวิตินทรียทิโรูปชีวิตินทรียที่อินทรียเอาวิคตะรูปรูปชีวิตินทรียะเอาวิคตะใช่ไหมยังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปคือยังตามอนุปานอนุปาระรักษาอยู่นะัเนอนนุปาระอยู่ตามอนุบาลอยู่ <c oughs> นี่เข้าใจแล้วนะเพราะว่าถ้าาชาตินทรียะนี่พวกนามอินทรียองทำแปดนะ เอาน้ำมีสยง่ง์ทำา8นั้นจะต่างกันกันกบว่ารูปชีวิตติณสจะต่างกันในที่นี้เราเรียนรูปชีวิตติณสีคือจริงๆถ้าหากว่าไปดูถ้าไปดูในเรื่องของรูปที่เขาเป็นปัจจัยมันไม่เป็นในฐานะเขานุ ป, ปาละ อ, าอยู่ในฐานะอีกอย่างนี่มองเห็นแล้วนะเน้นเน้นกว่าเน้นหรือยังนี่ได้หน้าปัจจัยสเอาต่อไปขึ้นข้อที่16 ก, กาารมกกมาารกมชะโอชาเนี่ยตัวนี้ใหม่กันแล้อาหารใหม่กันแล้โอชาเอ๊ะเคยพูดไปเทียเนี่ยพูดสร้างไม่จบซะเลยอาหารเนี่ยกรรมชะโอชาเนี่ยรู้จักกรรมชะโอชาไหมในจักขคูทาสักกราบเนี่ยมีมีกรรมชะโอชาัหมโสตตาท่าสักกราบคานาะจิหากายยะนี่เนะี่ยจักขคู จะขายจะขายยตนาโสตายตนาคานาญาณชิวหากายายตนามีโอชาหมดเลยเขาถึงบอกว่ากรรมชะโอชากรรมชะโอชาเป็นปัจจัยช่วยอุปกาลละแก่แก่แก่อะไรแก่ปัญจายญยาณที่ตั้งอยู่ในกระดาบเดียวกันกับตนและในกระดาบอื่นในประวัติการแห่งกามภูมิด้วยอนาจปัจจัยสามด้อนาจปัจจัยสามถามองอย่างนี้จะเห็น จริงๆกรรมชะโอชาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กลาบอะไรบ้างในที่นี้เป็นปัจจัยแก่กรรมชกลาบใช่ไหมเป็นปัจจัยแก่กรรมชกลาบนะกรรมชะโอชาเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมชะโอชาเนี่ยนะคือตัวโอชาที่เก er <Pues S 1> <ไม>ิดจากกรรมเป็นป <te> ัจจัยแก่กรรมชกลาบเก้าคือจักขุทัสกกะาบ โสตธาสักกะราบคานะทาสักกราบชิวหาทาสักกราบกายาธาสักกราบแล้วอะไรเนี่ยหาทะยะหรอวัตถุทาสักกราบวัตถุทาสักกรา บ, ากกราบชีวิตนวกะราบเว้นโอชาขณะเป็นปันจจัยออกไปเอาโอชาเอาโอชารูปนี่นะโอชารูปรูปที่โอชาที่เกิดจากกรรมเนี่ยมาตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ย ยมูมองเห็นไหมเอาโอชามาตั้งเป็นปัจจัยนะแก่กรรมมชกลาบ9แต่ต้องในกระดาบเดียวกันกับตนนะพอตั้งอยู่ในจักขู่โสตาคายหนะ้าชิวหากายยะเป็นต้นเนะี่ยเอาไปตั้งนะีเอาตัวโอชามาอยู่ในฐานะเป็นปัจจัยเอากรรมชะกลาบเหล่านั้นเป็นปัจจยุบันไปถ้าตั้งลักษณะนั้นจะเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าในด้วยอํานาจของชน ก, กัสตินี่นะเดีย๋ยวตรงนี้เขียนให้ดูนิด ไงมะฉะนั้นพอบอกว่ารูปคือกรมมะชะโอชารูปคือกรรมชะโอชาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่จักขาญตนะที่ตั้งอยู่ในกระลาบเดียวกันกับตนโสตาญตนะคานาชิวหากายะแท้ที่จริงถ้าว่าให้กว้างขวางเขาเป็นปัจจัยแก่กรรมชะกราบก้าเว้นโอชาขณะเป็นปัจจัยด้วยอํานาจชนกัสตินั้น่ะ ตัวกรรมมชะโอชาโอชาที่เกิดจากกรรมตรงนั้นต้องอยู่ตรงถีติขณะของรูปคือขนาดตั้งอยู่ของเขาเมื่ออยู่ในขนาดตั้งกว่าเขาจะตั้งตัวได้นี่ต้องอยู่ในปฏิสนธิอยู่ในประวัติการจริงๆไม่ใช่อยู่ในปฏิสนธิการเพราะเขาอยู่ในฐานะเป็นชนกสติให้กับกรรมมชกลับให้กับจักขายาตนะเป็นชนกสติด้วยและไม่ใช่แค่นั้น เขายังไปทําหน้าที่อุปถรัรมภ์ให้กับจิตต่ชะกราบ8อุตูชักราบสี่อาหารและชักราบสองอีกต่างหากโดยอุปถัมภ์พกด้วยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้บอกว่าได้อํานาจปัจจัยอะไรได้อํานาจปัจจัยอะไรรูปอาหารรชาติสามคืออะไรบ้างอฮะอาหาระอาหาระอะไรรูปอาหาระปัจจัยรูปอาหารัถิรูปอาหาระอวิคตะ เห็นไได้สามปัจจัยจริงๆส่วนเป็นปัจจัยแก่โสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะและกายายตนะก็ได้อย่างละสามปัจจัยเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะเออเริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นนะตอนนี้ก็เริ่มจะเ อ, อ่อตรงนี้ชัดเจนต่อไปรวมแลแต่นนี้รวมๆนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายตนะ นามรูปเป็นปัจจัยแกอายตนะถ้าบอกว่านามรูปเป็นปัจจัยแกอายตนะเนี่ยถามบ อ, อกว่าได้ปัจจัยอะไรนามรูปปัจจยาสรายตนะังเนี่ยได้ทั้งหมดยี่สิบสอหรือสาสิบปัจจัยถ้ายี่สิบสอนับโดยย่อใช่ไหมเช่นเหตุตปัจจัยสาชาตปัจจัยอนยามัญญาปัจจัยสาชาตานิสยาปัจจัยวัตถุ ปเรชาตปัจจัยวัตถุปเรชาตัดวัตถุปเรชาตนิสยาวัตถุปเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยรูปภารปัจจัยนามะภารปัจจัยสาชาตินตรียปัจจัยปเรชาตินตรียปัจจัยรูปชีวิตตินตรียปัจจัยฌานะปัจจัยมรรคปัจจัยสัมยุญตปัจจัยสาชาต์เวปยุตตาปัจจัยวัตถุปเรชาตวิปยุตต ปัจจัยปัจฉาชาตะวิปยุตะปัจจัยอัตถิปัจจัยแล้วก็อวิคตปัจจัยนี่22่บดีใช่ไหมถ้าว่าโดยพิสดารสาเลยไล่เป็นชาติไปใช่ไหมถ้าไล่เป็นชาตินี่ได้เลยเหตุสาชาต์อัญญมัญญาสาชาตานิสยวัตถุเปรียชาตานิสยวัตถุเปรชาต์ปัจฉาชาตากรมมาวิปากะรูปอาหาระ นามาราปจจัยสาชาตินตรียปัจจัยรูปปุเรชาตินตรียาลูกชีวิตตินตรียาชานะปัจจัยมรคปัจัยสัมยุญตาปจัยสาชาตาวิประยชน์วัตถุปเรชาตวิปัจฉาชาตาวิประโยชน์มาเป็นพวกสาชาตาปจจัยปัจฉาชาสาชาตัดทวัตถุปุเรชาตัดทีปัจฉาชาตัดทีแล้วก็อาหารัถิอินทรีย์ที เว้นอารามณูเว <ing crazy coment aries> ้นอารามาปุเรชาตทีนะแล้วก็สาชาตาอวิคตะวัตถุปเรชาตาวิคตะปัจชาชาตาวิคตะอาหาระอวิคตะอินทรียาวิคตะเว้นอารามณะปุเรชาตาวิคตะเว้นออกไปนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ทําให้มองเห็นมองเห็นชัดขึ้นนะเอาต่อไปไปดูต่อไปไปดูคําว่าอายตนะอายตนะ ต่างกันก็ก็ใช่คือคือตรงนี้ระอาจาคืออย่างนีอ้อธิบายหน่อยอธิบายอย่างนี้คำว่าสรายตนานี้เป็นชื่อของอายตนาภายในหกทีนี้ที่เรียกว่าอัจฉริยญาตนานนหกเนะใช่เรียกว่ามาจากคำว่าอายตนางสังสารวัตรตังนยตีติอายตนางเยอะ ไม่อยาว่าธรรมชาติใดทรงไว้ซึ่งสังสารวัตอันยืดยาวฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอายตนาอันนี้เอาอาญตนา12เลยฉะนั้นคำว่าอายตนะเนี่ยเอาอายตนาสิสส่วนคำว่าฉอายตนานิสรายตนางเนี่ยอายตนาทั้งหชื่อว่าสรายตนาอันนี้ได้แก่อัจฉริตากาตนาหสรายตนาจั ชัฏฐายตนะจกสราญยตนะบอกอายตนะทั้งหกด้วยอายตนะที่หกด้วยชื่อว่าสรายตนะเห็นไหมตรงของเราที่เรียนกันเนี่ยเราเรียนบอกอายตนะทั้งหกด้วยอายตนะที่หกด้วยถ้าอายตนะทั้งหกนับตั้งแต่จากขวายตนะไปจนถึงมนายตนะถ้าอายตนะที่หกหมายถึงมนายตนะนี่เข้าใจงี้นะไม่ใช่ เขาเน้นที่ไปเป็นปัจจัยแก่อะไรเน้นที่ไปเป็นปัจจัยแก่อะไรทีนี้ถ้ามาดูตรงนี้บอกว่าอายตนะทั้งหกและอายตนะที่หชื่อว่าสรายาตนะหมายความว่าอัจฉติยญาตนะหกที่เป็นผลของนามรูปเนี่ยถ้าจําแนกโดยภูมิล่ะถ้าจําแนกโดยภูมิล่ะได้ยังไงถ้าจําแนกโดยภูมิจะได้ยังไงถ้าจําแนกโดยภูมิ ในปัญจโวการภูมินามรูปเป็นเหตุสรายยตนะเป็นผลตามสมควรมองเห็นอย่างนี่จำแนกโดยภูมินะในปัญจโวการภูมินะนามรูปเป็นเหตุตัวสรายยตนะเป็นผลตามสมควรในอรมณ์ภูมินามเป็นเหตุนม น, นายตนะคืออายตนะที่หเรียกว่าฉัฏฐายนยตนะเป็นผลเริ่มมองเห็นอย่างนี่จำแนกตามปัญจโวการภูมิและจตวโวการภูมิ ฉะนั้นมาว่าโดยเป็นการเป็นผลของนามรูปในปัญจโวกะรภูมิซึ่งได้แก่สรายตนะและในจกโตโวกะรภูมิได้แก่ฉัฏฐายญตนะฉะนันจึงแยกกันจริงจริงแยกกันจริงจริงจึงว่าอายาตนะทั้งหด้วยอายาตนะที่หกด้วยชื่อว่าสรายตนะจะเจนตรงนี้นะทีนี้ในปฏิจจสมุปบาทที่เราเรียนกันก็มีอะไร อนามรูป ป, ปัจจยาสรายตัณังสัมพวันติในโพสวดบทนี้มาหืองงงเลยเนี่ยแยกปัจจัยไม่ออกเยอะสลายตันามรูป ป, ปัจจยาสรายตัณหงพอสวดถึงบทนี้แล้วโห ย, ยมโอมหมูงงเลยพระก็งงยอมก็งงเลต่างคนต่างงงบกปวดหัวท่านหบอกงัพระสวสดอะไรผมก็บอกแต่เรฟังหรอฟังให้มันได้บุญไป เลยได้บุญกันตามระเบียบมาจนทุกวันเนี่ยสวัดได้บุญนี่นี่เป็นี้ทีนี้สรายาตนะใช่ไหมตรงเนี้ยก็มีจะคําว่าจากขวาญาตนาโสตาคานาชิวหากายาและกามาญาตนาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นเองอตรงนี้มามามาม า, มาอาญาตนะนี่เรียนไปยังอธิบายไปยังอธิบายไปแล้วในที่นี้ขึ้นผัสสะใช่ไหม ขึ้นภาษาก็บใช่ไหมต่อไปเราเรียนภาษาสิใช่ไหมสลายนะเรียนแล้วนี่นามรูปปัจจยาสลายยตนาแต่อธิบายอายตนะไปยังอธิบายไปแล้วสังสารวัตันยืดยาวใช่ไหมแล้วก็ส่งข้อปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยแก่สรายยตนะแล้วใช่ไหมต่อไปอายตนะเป็นปัจจัยแก่ภาษาใช่ไหมสลายยตนะปัจจยาผัสโศ ใช่งี้ป่ะใช่นะนะก็เรียนเรื่องผัสสะจ่อมปรากฏเพราะอาศัยอัจฉติการตณาหกเป็นเหตุทีนี้สราญตนะที่เป็นเหตุให้เกิดผัสสะนั้นก็ได้แก่อัจฉติกายาณาหกใช่ไหมอัจฉติการหกที่เป็นผลของนามรูปนั่นเองผัสสะหกไหมอาทําความเข้าใจผัสสะหน่อยผัสสะเนี่ยมีวจนะทะคําว่าผัสสะผัสสะนี่นะ มาจากคําว่าอา ร, รมณ์พังพุดสติปัตโสร์เนี่ยนะธรรมชาติทีนี้ถ้าดูในเรื่องของคำว่าผัสสะเนี่ยนะถามว่าลักษณะเป็นต้นนะมีกี่อย่างคืออะไรบ้างถ้าถามเนี่ยผัสสะคือสภาพที่กระทบอารมณ์เนะี่ยจริงๆลักษณะของผัสสะมีสี่ใช่ไหมแต่แต่เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูลักษณะสอย่างของผัสสะแต่นี้ถ้าดูในแง่ของผัสสะ ท่านบอกว่ามีการกระทบอารมณ์เป็นลักษณะผัสสันติสัมปยุต ธ, ธรรมมา เ, เตนาติผโสเนี่ยสัมปยุตธรรมคือจิตและเจสิกทั้งหลายย่อมกระทบซึ่งอารมณ์โดยธรรมชาตินั้นฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเหตุให้สัมปยุตธรรมกระทบซึ่งอารมณ์นั้นเรียกว่าผัสสะเห็นไหมลักษณะลักษณะการกระทบอารมณ์เนี่ยเขาเรียกลักษณะของผัสสะเป็นเหตุทําให้มีการกระทบอารมณ์ ตรงนี้ต้องไปเชื่อมคําว่าลักษณะลักษณะเป็นต้นของผัสสะในหน้าต่อไปอ่ะที่มาจากคาว่าผัสสะนั้นมีการถูกต้องคือถูกต้องอารมณ์โดยอาการเนี่ยนี่ยพุทธนารคโนมีการกระทบเนี่ยถูกต้องคือถูกต้องโดยโดยอาการคําว่าถูกต้องในที่นั้นเขาถูกต้องโดยอาการที่ถูกเนะเช่นเขาไม่ได้ถูกต้องอะไรมั่วๆใช่ไหมเขาจะต้องมีจุดที่ถูกต้องเช่นยังไงอ่ะ จักขูเนี่ยนะอาศัยอะไรอาศัยจักขูและรูปนไอาศัยตาและรูปเกิดจักขูอินยาณความประชุมแห่งธรรมสามประการเป็นผัสสะเนี่ยอาการแบบนี้ลักษณะาอาการอย่างนี้เ็าเรียกผัสสะก็ไล่ไปมีหน้าที่อะไรประสานไหมสังมีหน้าที่ประสานวัตถุกับอารมณ์กระทบกันถามว่ามีหน้าที่ในการประสานเนี่ย จริงๆตรงเนี้ยที่จริงเขาใช้คําว่าอย่างนี้เอามาจากคาว่าทำสังสังคตะนราโสดมีการทําให้จิตกับอารมณ์ติดต่อกันคือคํามีหน้าที่ประสานนั่นเองในอัตถกถาท่านบอกว่าผัสสะทั้งสี่ภูมิที่ไม่กระทบกับอารมณ์ไม่มีผัสสะที่เกิดทางทวารทั้งห้ามีอํานาจประสานเห็นไหม เช่นผัสสะที่เกิดทางทวารตาเข้าประสานอะไรประสานรูปประสานตาประสานจักรวิญญาณประสานหูประสานเสียงประสานโสตวิญญาณประสานจมูกเนื้อคานะเนี่ยประสานกลิ่นประสานคานวิญญาณประสานชิวหาประสาทคือลิ้นประสานรสประสานชิวหาวิญญาณประสานกาย ประสานโพธพะประสานกายวิญญาณส่วนทางมโนทวานนั้นมีแต่ลักษณะกระทบเท่านั้นหาชื่อว่ามีหน้าที่ประสานไม่ครองทางมโนมโนวิญญาณมันทางมโนทวานเนี่ยท่านไม่เรียกว่าประสานอันนั้นอาจจะถาท่านให้มุมไว้คือมันคงจะไม่มียกตัวอย่างเช่นไม่ได้มีรูปเข้ามาในครองของทวานใช่ไหม ไม่มีรูปารมณ์เข้ามาในคลองจากขุทวารไม่มีศัทธารมมาคานาทวารชิวหาทวารกายยะทวารเป็นต้นจึงไม่เรียกว่าประสานไว้แต่ถ้าทางจากขุทวารจนถึงกายยะทวานเนี่ยอัตถกาถาท่านบอกเลยบอกว่าประสานไว้มีหน้าที่ประสานแต่มโนทวารท่านไม่ให้ว่าประสานเรียกว่ากระทบเฉยๆว่าไงลำพึงนะลำพึงถึงได้ ถ้ามองตรงนี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะนะอาศัยจากคำพีอัตกถาด้วยดีกาด้วยเข้าเข้าเสริมแต่ถ้าตามใจด้วยนี่เดี๋ยวไปกันใหญ่เดี๋ยวนี้น่าจะอะไรมันน่าเยอะเลยนึกวาไงภาษาทีนี้ต่อไปมันมีอย่างสังคตะปัจจุปฐานโนเนี่ยคำว่าสังคตะเนี่ย บางทีมาจากคำว่าสันนิบาตก็ได้สันนิปาตะปัจจุปฐานโนก็ได้คำว่าสังคตะหรือสันนิบาตนั่นแปลว่าอะไรสันนิบาตนั่นแปลว่า ป, ประชุมสันนิบาตใช่ไหมปรากฏไงปรากฏเป็นการเป็นธรรมะที่ประชุมกันระหว่างอะไรวัตถุอารมณ์และวิญญาณก็มาประชุมกันใช่จักขวโทรูปอารมณ์จักขวิญญาณมาประชุมกันไมเนี่ยมาประชุมกัน โสตวัตถุสัทธารมแล้วก็โสตวิญญาณคานาวัตถุคันธาคันธารมและคานาวิญญาณชิวหาวัตถุรัการมชิวหาวิญญาณกายาวัตถุแล้วก็กายอะไรกายยประสาทกายยวิญญาณถ้าทางมโนอะทางาาอะไรระว่างมโนธรรมารมมโนวิญญาณ มนโนคืออะไรมนโนคือพอวังเข้าใจไมมโ น, มม น, โนเนี่ยคือพอวังถ้าในอัตถกถาชั้นดีกาบอกว่าคำว่ามนโนทวานเนี่ยหมายเอาพอวังก็จเรนะหมายเอาผวังคู่บัเฉทะว่างั้นนั่นแหละอาศัยมนโนอาศัยมนโนวิ ญ, ญญาณคือจิตคือกลุ่มชาวนาเนี่ยนะ และอาศัยธรรมารมณ์มาไปชมกันใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะงี้เขาเรียกว่าอาศัยวัตถุอาศัยทวารอาศัยอารมณ์เป็ไงนีการสันนิบาตกันและก็มีอะไรกระปากันต่อมามีอะไรล่ระฟังสุดท้ายมีอัจชริยกายาตนาหคือจักขายญาตนาเป็นต้นเป็นเหตุไกล หรื อ, อีกอย่างหนึ่งว่ามีอะไรเนะี่ยมีอารมณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้ให้เกิดกระไดมีอารมณ์อ่ะที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้เกิดหมายความว่าในขณะที่อารมณ์อารมณ์ที่กําลังปรากฏอยู่นั้นอารมณ์นั้นแหละเป็นปใจใัจจัยแก่ผัสสะในที่สุดจึงชื่อว่าเป็นเหตุใกล้ผัสสะนี้เป็นธรรมที่เกิดจากอะไรเกิดขึ้นจากอายตนะเกิดขึ้นจากอายตนะเป็นปัจจัยนี่เป็นนี้ทีนี้ คำว่าขณะที่อารมณ์กําลังปรากฏอยู่นั้นอารมณ์นั่นแหละเป็นปัจจัยให้แก่ผัสสะใกล้ที่สุดฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นเหตุใกล้ผัสสะจึงเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากอายตนะนะผัสสะจึงเป็นปัจจัยจึงเป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากอายตนะด้วยประการอย่างนี้ให้ฟังตรงนี้เข้าใจยากไหมเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากกลับไปทําความเข้าใจใหม่ผัสสะใหม่ทีนี้ <c oughs> พอเข้าใจตรงนี้พอเป็นเข้าโครงตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนีเหมือนอธิบายเกือบหมดไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าอาการกระทบเชื่อผัสสะหรือสัมผัสสะผัสสะโดยย่อมี6ใช่ไหมมีจักรคู่สัมผัสสะเป็นต้นเนี่ยนะที่ไล่กันตามลําดับจักรคู่สัมผัสสะโสตสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะแล้วก็มโนสัมผัสทําไมมีคําว่าสัมผัสสะเข้ามาเชื่อมเดือย จักขูวิญญาณเนนะสัมปยุตโตสัมผัสโสจักขูสัมผัสโสเนไหมตรงนี้เขามาขยายตรงเนี้ผัสสะคือการกระทบที่ประกอบกับจักขูวิญญาณฉะนั้นจึงชื่อว่าจักขูสัมผัสสะปกติคือผัสสะใช่ไหมเพราะอาศัยอะไรที่แรกเรียกจักขูใช่ไหมจักขูกับผัสสะ ทีนี้ผัสสะคือการกระทบที่ประกอบอยู่ในจักรคุวิ ญ, ญญาณจึงเรียกจักขู่สัมผัสสะคือตัวผัสสะกับตัวจักขูุวิญญาณเนี่ยใช่ไไปสหละคตกันแล้วเป็นการไปรวมเอาอารมณ์เข้ามาใส่ด้วยนะเลยเรียกสัมผัสสะเลยนะแท้จริงเขาจักขู่สัมผัสสะทีนี้ถ้าไม่มีการกระทบจะเรียกว่าสัมผัสสะได้ไหมเหม็นไมเรียกว่าผัสสะเฉยๆได้นะ พอมีการกระทบการเชื่อมกันเกิดขึ้นการสร่อละคดการรวมกันเกิดขึ้นเนี่ยที่จริงตรงนี้ถ้านักนักบาลีวยากรณ์ที่จริงคือจริงๆจริงจริ ง, รงถ้านักบาลีไวยากรเนี่ยเขาจะแยกให้เห็นชัดเจนเวออาจารย์ไม่ได้แยกตรงนั้นลองไปถามนักวยากรณ์ก็ดอูอธิบายตรงนี้ไม่น่าชัดแค่นะั้นจะจะจะแค่นี้ไม่น่าชัดเพราะเคยได้ยินที่มันชัดกว่า น, นี้ ที่จริงที่จริงถ้าเรามองดูสภาวะองค์ธรรมก็จะเห็นว่าผัสสะกับผัสสะที่ไปอยู่ในจักรคุวิ ญ, ญ น, นี้ใช่ไหม